พระธรรมเตสนามหาจารย์เวสสันดรจารดกฉพพิเศษชุดซ้อยรวมธรรมกันฑีสิบเอ็ดมีจีวามหาราชตรวจชำระคัดเกลาสมนนใหม่โดยอินสมชัยชมพูปรเรียนรำหกประโยคนักธรรมเองน้โม พัฒาภกาวะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะโพธิสัตว์จมัณฑิจาสมโมตมานาสังกตันิเนอสเมวสิงสู ลำดาบธรรมมเตสนามาบ่อขาดมาถึงมหาราชกันเรื่องไรส่วนพระผู้ว่าในตนบุญใหญ่หนอพระติไวเวสันตารัต ศ, ศีกับนั่งมัธยียอดซอย จอยจื่นจอยเจยบ้านต่างสำราญยังอยู่ในแก้วกูอัสมาสาลอันคุณอินตาบุญกว่างหากคือสร้างปันตนวันนั้นและดาจัูจ้ากูปีส่วนจูจ้ากระพร้ามปูเทาใจกำเศร้ารึกหารก่อนน้ำส่องกุ่มันปี่นอง ดันเถื่อนทองดงไพรเสียงตั้งไก่โบโหดได้หกสิบหยดกันนาเตวดาก็ตามรักษาบ่อขาดยังสองน้อยนาจอมพันกันตาวันกำลาลงลับป่าดงนาพรำก็เอาสองขานอไทย โอ้กับตน้นไม้ฮือนอนเหนือดินงได้ส่วนตัวมันกวัวตายแต่เนืออ้อใจเอื้อหนอผู้ทอนก่อขึ้นนอนเหนือขาไม้อันมาไข่สุมกันก็มีฮันเลยนะ อาซาบิงคาเนในคานานั้นยังมีเทวาบุตรเจ้าตนวิเศษมาเนราบิดเป็ดเหมือนแต่ดิลีดังพระษีตนป่อวายนาล่อมหา <c oughs> และมีเทวาดาตนหนึ่งใจจ้ากับเป็ดนาเป็นหนังมัทเทมาปล่อยสองสี่ปีน้องคือป้อนจากวงกล้องเครือเขา แล้าาวก็เอากันฟันนวดหือหายเจ็บปวดตีพรำตี ส, งส่งเกษีหมวดเกลือหือสองเจ้าบุญมีท่าลงเครื่องติบดีหลายสิ่งหือกินอาหารยิ่งนานาหืองงนอนเดือดอาสนะผาเสื้อโบหือเกิดเครื่องขีดกันร้ยทีและลุงสายฟ้าปุ่งขึ้นมา ก็คือสองขาพี่น้องเข้าสู่บ่วงกองเครือเขาคือสององค์เล่าตั้งปู่ได้นอนอยู่ดินไดดังพรามพี่ภายผูกไว้เตป้าไทยก็อนตาระทานกับหายไปวันนั้นแลยนา ส้องกุมามรปีน้องลัดเทือนทองดงนาอันเทวดารักษาบอ่อขาดบ่มีผัญญาตันใดตวัวพรำไปจะใจพรำบ่ใบปาลา มันเทวดาปาสาาหากบันโดนเข้าหัวใจว่าจกไปเมืองกาลิงกระราาอันเป็นอาวาดแดนตนหลวดลงหลไปรอดเมืองแกนยอเจตุรานครด้วยลำดับนอนป่าไม้ นับว่าได้สิบห้าวันในคืนอันพรามจักไปรอตนเต้ตายอดสันใจนอนสำรรนในภาาตีห้องดาดมีสีกันรอยทีใกล้รุงเต้าก็คุ้งฟันหัน <c oughs> นี่มีดฟันดังนี้ว่าตนนั่งอยู่ตีโรงปิจารากรรมมีใายคนหนึ่งดำดำห่งางไรยกอย่างยายป่ปูนกวัวน้ำดอกบัวหอมหืนซองดอกยืนยอดวาย ตาอบุญผายรับไม่เอาตัดใจ ส, สองหูกันถ้าดูหอมจืนละองฟุ่งขึ้นเหนืออกแล้วซ้ำตกลงเหนือตักก็มีหันเลนะ <c oughs> โสโฮปะโพจิตป่าพญาสันใจสนดุ้งตื่นบ่แจง้งจืนกำพันกันตาวันดุงเจ้าก็เรียกาพามเทาโหรา มาใครจะทำเหตุคือแจ้งเจตนาการโหราจาร์ผู้ใหญ่ก็ขับไปทุนสารว่าคาแดพระผู้บ้านเป็นเจ้าอันว่าจะเชื้อเผาบวงสาแห่งพระราชาตนบุญมากันเชียนจากไปนานบ่ใจลานก็ลูกเตาเตียงจักเข้ามาหาวันนี้บ่ยาจัและนา อนยาสันใจตนอง์อาจฟังโอกาสหูราจารมีใจบ้านบ่เศร้ากันรุงเจ้างามดีต่อสงเกตศีก้าเกตด้วยน้ำมุทาวิเศษเจียงคานสเว่ยพ่อจนดาอาหารหลายสิ่งมีรสหนิ่งหลายอันแล่อภายพันไว้วองไปสู่ห้องปิจารณักรัมเทวดากนน้ำสองเจ้า กับพรามเทาปลาไปผากดแก่ตาเต้ า, าไทยหนตีไกขวงลวงก็มีฮันและนะ่าอันว่าพาะยาสนใจตนปู่พงนั่งอยู่ตี่โรงปิจารณกรรมก็หันสององค์คำปีน้องมาตัดจ้องของตาเต้าจากพันนานาพอรูปจริงเก่าสรุปเป็นกะทา ว่ากัดเสตังโมขามาพาตีดังนี้เป็นต้นโพ้นโตดูระเจ้าเราเหยืมวลหมู่อันนั่งอยู่เต็มสนามอันว่ากัเป็นน่างามแตโสดวรรณาวิโรฒนันนำดังตอมคําในเบาเรื่องเรือเราด้วยฟองไฟรุงเรื่องไรใจน้อยจกเป็นไดาแห่งกุมารน้อยนอยใจใดนั้นจะ คาบ็ดนางงามบ่เศร้าดังคำลอเบาหลายที่จักเป็นนักุมมารีจีนจ้อยพงอ่อนน้อยยิ่งใดนั้นจ้ากุมมานตั้งสองด้านใส่มีอง์กาน้อยไสะเมื่อกันกุมมานไดพผันมาก่อนนาสั่งมาเหมือนลานกำพ่าจื้อจาลี ส่วนชมสีผู้น้องอันเตียวต้องจอมลังพอแต่สั่งมาแม่นลานแก้วแก่นกันหาเจนแต้และนา <c oughs> สองกุ ม, มาน้อยนาตลาคณะอาจงามดีดังลูกราจสีตัวกาเรียงอยู่นาคูหาพี่บุปผามาเป็นดังอัน <c oughs> สองเจียงจันบุญนำก่อเมือนดังคำหล่เบาเรื่องเรือเร่าด้วยฟองไฟลิงและไปไข้แล้วสั่งดูเมือนตนแก้วลานกู้เจ่นและนาเอวังรัชพญาสนใจธิราชกพัปณนาสองน้อยนาดกุมมานด้วยกษัาสามพระการดังนี้แล้ว ตาอ่นแก้วผู้บ้านจริงมีองค์การปงขาดคืออามาเตียมใจว่าจุงไว้รีภาวไปสู่ดาวสนามนำอย่างพรามผู้เทาอันไต่เต้าเตียวมากับสองขาปีนห้องมาสู่ห้องโรงราบัดนี้แดดเตือ ดีนั่นนายนาการผู้แก่นกอลูกเล่นไปปั่นไปกอคุ้มพันพรามเทากับสองเจ้ากลุมมานมาสู่สถานโรงราตามเต้าปงคาตัญญามเต้าจ้กถามพรามเทาอันใดเต้าเตียวเตะไค ร, รู้เหตุอันใดสองล้านจริงปงสู่พระสารจงโจทย์ไขพระโอษเกียนจา๋า ว่ากูโตโนตังภาระตัวจ้าดังนี้เป็นเก้าวัดดุราพรมเทาตัางสะานตันได้สองกุมานปีนองมาแต่ห้องแดนใดเมืองเราไก่บ่อใจไก่พรมแขกใดมาถึงเตี่ยวมาถึงตีนี่แล้วจักเอาลานแก้วเราไปไหนนั้นจา้า จู่จักกาผู้เท่าฟังเต้าเจ้าเนื้อหัวมีความกลัวสะตานนาแห่งมารทุนสารว่าคาเด็กพระผู้บานปินเก่ากาผู้เท่าขอข้าปะตาอันว่าสองเด็กขาพี่น้องเกิดรวมต้องแม่เดียวกัน อันพระจอมท่านตอนองค์อาจคือพญาเวสันตา ร, ราตราศีสัทบีจมจื่ใดยกยืนย่อตา <c oughs> สองกุ ม, มารนี่ใส่ขา้าหากใดวันเหลือนเพ่งเป็นวันไตวันเมงบรูขา้านำกูกุ ม, มารมาเมื่อ น, นานจะรำรอดสิบห้าคำเดือนดับวันนี้แหละนา เมื่อนั่นพระญาสันใจจะใ่โอวาทบอกเฮือความกาดเสียกำบาดูราพระธรรมปุถาดังโกเกิดเล่าพิจารานาร้อยมึงมีกำจาเพราะพ่อยเปียนอ้ออ่อยลมเอาสององเหลาน้อยเนตเตียวดันเขตไฟสนหรือมีมนเตียงแต่ ไปเป่าแก่ป้านีกำได้มีจุงก่าวเฮือลูกข่าวเรืวไวคนผู้ใดในโลกวังวายโอ้ค่ะสงสารจักสาละตานด้วยง่ายฮือลูกรักใจเป็นตาหนันจา้าจูจ้ากาพรามผูเทาใจกำเศร้าจังไรฟังพญาสันใจจงโจทย์เยียวมีโตดถึงตัวจิงน้อมหัวขับไว ว่า้าแดพระบัไทินารินอันว่าแผ่นดินใหญ่กว้างเป็นตีสัดอยู่สางอาสะไรมีสันได้นั่นใสลูกพระบัไทิยบุญพายมีซาทลายมากเต้าเป็นตียาจกเข้าอาสะไรก็ อ, อุปปาไมดังอันภากานึงนั้นเตรียมมา เือกงกาแมกว้างเป็นตาตั้งไหลไปนำน้อยไกหลายแลไลล่องแพมหาลูกมะหาราชาเจ้าเป็นทิยาจะเข้าไปหากโอุปปมาดังอันเจ้าจังจันราศีสัทถมีแมกวางมักไรสร้างสมปาน จริงเฮือสองกุมมานแกขาอันกมนาไปขอตั้นยกยอโดยง่ายเฮือลูกเอยอายดีลีสัตว์จะมีดังนี้ข้าขาบจีตามีขอเจ้าปุรินยศยอด ย, ด ย, ดอยาคิวโคตโกธาขอคุณนาขาเทาอันวายนาเข้ามหานีเ ด, ดเต สุดต่ออามาจัตินันจุมเสนาอามาจุมมูราดมุนทีโยธามีหนุ่มเทาอันอยู่เฝ้าเต็มส า, าม a ได้ยินพามเก่าแก่เขาก็ว่ามีเตียงเต๋าสองสัยเขาจะไขต้านก่าตีเตียนเต้าราศีจริงไขว่าตีตานต่อเป็นบาดคอกาถาวโตกะตังวัตโบ ร, รัญญา สัทยนาคารเบสินาดังนี้เป็นต้นพ้นโตดุราเจ้าเราตั้งหลเฮยมวลหมูพร้อมนาอยู่นานำอันว่ากำอยาบจ้าอันเจ้าฟ้าเวสันตราชาปอยกะตัมมาแถมเหล่าเราคับเต้าเจ้าเสียเมืองเต้าบุญเรืองลางดีหลาบใจเต้าหยาบในบุญแท้และน โ่อนตดูราเจ้าเราเหยมวลหมู่กาอันอยู่ร้องกันจุงป้ากันกึดสอดพิดจารณารอดอาการพระผู้บาลเว็สันตรราชอยู่ในอาวาัตเป็นราสีในดงรีปา่าไมยป่อยฮือโลกแกนไทยเป็นตานแก่พลัมมานาจานจีนาเป็ดอันเดินเตจสันทีตาสาตาสีจวยใจเปิ่งเต้าพดไปเป็นตาน มาเตรียมอานรถกงแก้วกวรแต่งแล้วนอตาจังไปสานตัวใหญ่ควรยกให้น้อตาลูกฮักงามปานปันหลอเต้าตนป่อป่อยตาลมานี่จ้า ห้องสุดตาจ่าลีกลุ่มมาโรเจ้าจาลีตอนองอาจได้ยินอามาตเสนาเก่านินตาป่อเจ้าร้อนไม่เอาหอระไทายบ่อาจอดใจไว้ได้นานจะกังไว้บ่ฮือคนจ่าดังเตวาดาองอาจกันเขาสีเนรุราดปั๊มปัตตายามล้มหลวงมาปัดใจบ่ฮือด้อยใหญ่ไว้คอน เจ้าแขนขวาจรนกังไว้ก่อนฮือล้มพรอนหายหนีเจ้าเจลีสีญิวาราชจริงเป็งสีหานาตังสนามว่าดยัดสาสานะคะเรดังนี้เป็นเก้าว่าคาแดปูเป็นเจ้าองค์คำคาจักไข่กำบอกเราถึงป่อเจ้าพิตาเจ้าเมืองมาสนซอกฮือเต้าตนป่อได้หนี ไปเป็นจีป่าไม้ตุกอยากไร่รอตายค้ายิ้งใจจวยใจหาบ่ใดสักคนมามงคลเคยขีมาตัวตีเตรียมอ่านจ้างไปสานตัวโสดพ่อเผื่อค้าไร่โหดจูอันอันยามพร้ามภผยพันไปไกยกมือไว้ขอตาน พระผัวบ้านต้นป้อตุ้งแต่น้อเหลือใจบ่มีอันใดจักตันใดหันแต่ลานผูวไทยทั้งสองป่อบ่ปองเอาไว้จิงยกให้แต่ตานบ่ใจพ่อบ่ฮักลานผูวเจ้าตีแต่ฮักหมักเต้าสุดใจแลยนะ เ อ, อนันพราสีสันใจหยดเย้าภาพแผ่นดาวสีปีฟังเจ้าเจา้รีกเก่าอบเต้าจริงตอบกำไปว่าดุราลานใสใจรักปูไผบอ่อเก่าโอนิ้นตายัางปีตาพ่อเจ้าไผบอ่อเล่าตีเตียนยังเต้าตนมีเปียนอันมากปูนี่หากขอทาม ด้วยกำงามแต่เล่าเมื่อป่อเจ้ายอตานยังสองลานนอเนาแก่พรำเทาแดนไก่หอระไทยป่อไทยตุกโศกไม่สันใดเจ้าจ่าลีไขตอบท้อยว่าข้าแด่พระยอดซอยไอยากาพระปิตาป่อข่ายามเฮลานกำพาตั้งสองโศกตุกมองทั้งคน หายใจผ่อนไปมาพอดวงตาตั้งกูแดงว่ามูปันไฟน้ำตาไหลหลังย้อยยามพราคาคอยเป็นตาเจ้าจารีไข้อาการอันเป็นตุกแห่งปอแล้วจักสวัตดีอันว่าสาสสรีน้องนาดคือนางแก้วอาจกันหา ให้เอื้นจ่าสั่งปอเต้าในด่านดาวดองดอนแก่เต้าผู้ทอนผูเจ้าจริงตานเล่าเป็นคาถาวัายันต่าังกันหาจินาวจะดังนี้เป็นเก่า ว, ว่าคาแดปอพาาญาเป็นเจ้าอันว่าพรามผูเท่านินาแก่นป้าลายาบจ่าตีเพื่อคาด้วยเงือนเจือกเคกอวัน เพื่อเขามัดปั่นยังมียางหยาดสันหลังขาดเป็นลายดังตันตียิงใจข้าใจอันเกิดแต่ไทยเรือนมันข้าแดพระจอมขันพ่อเจ้าพรามผู้นิลาบอใจพรามดีบ่ผานีสักขาบใจกย า, ายลายลำจาที่พรามแต่ก่อนย่อมใจอ่อนคุณนาะ ยังตาระกาหน่อยๆนอยดังลูกหน่อยตั้งสองและนาร้อยยักภายพงเพททะแหลงเป็ดเป็นพรามเข้าอารามมาล่อเอาลูกหน่อยป่อไปกินพลนารินป่อใไทยอดอยู่ใดสันดีลูกเคื่องขี่เอาไหมลูกร้องให้พ่อบอกคุณนานีจ่จา อาทาในกาละนันใสน่เต้าหยดใหญ่สันใจเล็งหันใส่ใจกำผ้าโบพ้นจากคามาหาพรามจักเอากำงามลมเล่ายังสองนอนเน่าลานตนจิงกาวอนุสนโอวาเป็นบทบ า, าทคาถาวาราจพุทธิจาโวมาตาราจพุตโตจาโวปิตาดังนี้เป็นตน ว่าดูราจารีเฮยหลานรักปู่อันว่าแม่กินกู้มัดทีโฉมงามดีอง์อาจก็เป็นเชื้อจ่าเสวยเมืองพระบุญเรืองป่อเจ้าก็เป็นเชื้อเผ่ากสัทธา หาเกิดมาจากอกปู่เจ้าตังกูเกิดมานั่งเหนือขาบนตังกูปู่บัดที่สั่งมานั่งอยู่เสียไก่นั้นจาเจ้าเจ้าลนอน้อยก็ตอบถอยทูลสาลว่าข้าแด่พระผู้มารรรเจ้าอันว่าแม่รรอเนามัดที เป็นราชาปุตติยศใหญ่ลูกต่าไทายพาปราส่วนพระพิตานั้นเล่าก็เป็นลูกปู่เจ้าผู้บานมาทีสองลานกำพาได้เป็นคาจีพรามทัดตานามตกต่ำใจอยู่เพ่ไวโยงถ่ายยินละไอมีมากนั่งนี่หากยินาำและนะา ปูเเอยปญาสนใจตนปูฟังคำอูลานตนดังไฟลุ้นบูไม้ตนเต่าไทยจริงไขคานด้วยกำบานจื่นจ้อยวาดูราลาน้อยเจลี่เจ้าอย่าไขครวาตีจมฟ้องฮือถูกต้องหัวใจหอระไทยแห่งปูร้อนว่าวูดังนั่งเหนือกองไฟ การเป็นเจ้าห่อใจภาษาตนั่งเดืออาสานาความพาสุขหาบอดายบัดนี่ลานนอไทยร้อมแป้งป้อยเก่ากำแตงใจปูือร้อนว่าวูแถมลายดูราลานบุญไทยนอเนาก่าแห่งเจ้าสองขานยาป่อผาญ า, ายนกใหญ่ยกยืนให้ยอตานยังสองลานอ่อนน้อย แก่พรามถอยจาราปอพาญาเจ้าจ้างกดกางสันไดจุงจะไขกะอูือปูรู้ตามไรเข้าของเราลายบ่อไรปูจักแต่งให้จีพรามและนะเจ้าจาลีนอ่อนเอาฟังปูเจ้าไขค า, านมีใจบานสราบจริงกมขาววันตาว่าข้าแดปูผ้าญาเป็นเจ้า หาน้อยเต่าผู้เดียวพ่อจะเลียวสั่งไว้มีกาใดปันคำในข้านำนักใหญ่ยกยืนให้จีพรมส่วนกันหางามน้องขาซ้ำ ม, มีกาแขวนแพงจ้างมาแรงปอร้อยข้าใหญ่น้อยหัวดีคำสิ่งกี่ร้อยหนึ่งใส่เป็นกานองไทยกันหา พระพิตาสังไว้ยามคือโลกแกนไทยเป็นตานแก่พรหมนาจาันผู้เท่าอันขมเต้าเข้ามาขอมันนั้นแหละนาเมื่อนันพญาสีสันใจญาราชืออามาตต่างตาตกแต่งดาพร้อมไขเปื่อจักไทยสองลานปงราชตาหลงเหล่าแกูุ่เท่าจูจักกรพรม จิงกเกาคำงามองอาจว่าดุราอาบาเตรียมใจจุงเร็วไวแต่งไว้ยังของน้อยใหญ่ไหลอันเป็นร่างวันพราหม์แขกแต่งแล้วแหลกเอาลานมาเตรียมอานปอร้อยจ้างใหญ่น้อยปังปลายคันยิ่งใจจวยใจพร้อมเสียงไข่หัวรามคำแดงงามหนึ่งปันหนึ่งยแหลกเอาลานน้อยกูมาเดต ทีนั่นอามาต่างตาผู้แก่นก่อลูกเล่นไปพันแต่งทุกอันเมียนแล้วก็ฮือเต้าแก้วใสทอไทยสองลานวันนั้นแหละดาเมื่อนั้นพญาเสียสนใจญาาิก็ฮือภาษาดเจียงขานสูงผ้าบานเจ็ดชั้นดาไห้หันปั่นพรมอาจสนางามต่างไว้ ร้อมเครื่องใจขวดดีให้เป็นสมบัติมีมวลมาแก่พรามผู้ภาคเหมืองมาพรามปลาลานย้ำหนุ่มใดตกลุ่มตาคนคือตกจนอยากไรเอซ่ะไส้สาแหว่งข อ, อยั้งบ่อปลียงต้องสะสอต้องเตียวไปถึงแดนไก่ตั้งเตจมาถึงเขตมัดชิมวัย เกิดมีใจโจกใหญ่ได้คาใจยิงใจจ้างมายายเป็นทอยบ่รูกี่ร้อยเหลือผ้ามันยาซ า, าปริวานหลายแหล่พามเท่าแก่เกิดเป็นดีปีติมีจมจืนทงนักมื่นจูอันอันดังลับฟันแล้วใดมันลำดับไว้เรียงดีแล้วขึ้นสู่สีภาษาอันเต้าที่ราชปงรัชตาน มันกินอาหารหลายหลากย้อนกันอยากมานานดวดกินอาหารเสียงไข้ต้องปอใหญ่เลือตามันก็อไปนอนเลืออาเจียนอันอ่อนต้องบาผ่อนเลือใจก็มีหันเลยนะส่วนตาปารมาสนใจตนปูกกันไทยลานตั้งกู่ไปแล้วก็เฮ้อลันนกแก้วอาบุงสงเกตด้วยน้ำวิเศษสุกันธา อสาเว่ยโพจะนาหลายสิ่งราสาัญลายพาคการเอาผ้าเจียงคานก้าใหญ่เฮือลานแก่นไทยได้ด่ารงแล้วตนพระองค์ต้าวปูเกาะอุ้มเอาลานแก้วกูจารีส่วนนางพุทธศรีผูนยาเกาะอุ้มเอาลานน้องลาจื้อกันหานางพญาจมไปตันแล้วต้าปูเกาะตะสเวเอาไปจมก่อมีหันแล่นา ตามทังประกาศเซนโตสัทธา า, าสัทธาสัพพัญญุตนเป็นครูนำหมู่ปสัสสเข้าสู่เนรปานหันลธาดิธานไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวนิกีนิตวนะหาเปตตาดังนี้เป็นตน้น เอกเวโดราพิโกตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาตเื่อนักภาธรงยานส่วนสองภูบาลยศใหญ่กันไทยลานนอไทยบุญมีวัวระบวนดีความแลวก่อฮือลานกูแกวราเจ้าวงได้อับองค์สงเกตโดยน้ำวิเศษยังคานฮือเข้าเคืองอลังการต่างเตจย่อมเป็นของวิเศษอุดม กูอนาพิรมต่อเต้าสมโพธเจ้าสองสี่เก่าคำดีมวนหมเหอลานแก้วอยู่ตีข้าเฮเสวยโพจนาลายหลากจินป่ามากลายพกการตั้งของหวานจินจ้อยเอลานน้อยนอยจูอันอันแล้วเจ้าหอจันต้นปูก็อุ้มเอาลานอยู่เหนือตักก็มีหันและนา การสองกุมมันนอเนาทรงเกตเก้าเกศีนุ่งผาดีกาใหญ่คุ้นต้นใจสองหูสองบุญจูซุปสอดมงกุฎยอดเพนีเจ้าปุรีปุถไทัยก็อุมเจ้าจาลีไว้เหนือตักเตายินรักบ่แล้วอันจักถามหาลูกแก้วบุตตาอันไกล้กาลาภาคมีเจียนจากไปนาน จิงจาวานต้านต่อซึ่งลานนอจาลีว่าดูราจาลีลานรักปู่ป่อแม่เคืออยู่ดงดานยังสำราญจ้าใจบ่เมหมยไขรเน่าในเรื่องชีวิตเป็นไปบ่ยากลูกไม่มากเพราะฉันเจรือ อ่านหนึ่งเหลือบยุงบ่มาตอมตางูน้อยใหญ่บ่มาเบียนสัตว์เกี่ยนในป่าบ่มาลารวีจะรือเจ้าจารีนอ่โน้อยจริงตอบถอยปู่พัญญาว่าพิตามารดาเบื่อค่าอยู่ในป่าดงดานยังสำราญจะใจพันยาบ่ได้เบียนขี้เลี้ยงอินทีบ่ปอนอยากลูกไม่มากเพราะฉัน เหลือบยุ่งหันสวาสวาบอ่อบินลามาหางูดงนาน้อยไ่บอ่อมาไกรวีสัตไ ร, รมีมวนหมูเขาหากอยู่ภัยมันบอ่อภัยพันต้องพายมายะไรเราละและนา ข้าแดาปู่ะญ่าเฮยอันว่าแม่มัดทีนอไทยแม่นสะไปปู่ะญากันลูกมาก็กว่าเพียวอาวาตศาลาแล้วแต่งดาไว้ทางยางนำล่างดาและไม่สีฟันทีอพระจอมทันพ่อเจ้าแล้วแม่นอเนากาะถือเอายังเสี่ยมกันเหล่าจอดบอง ดาังตองหัวมันแม่จำควันตีไวบ่อเกิดไขตั้งกัวไปคุดเงาบัวหัวป้านมีจุดานโบคารณีตั้งมันแดงดีแฝงฝังรากมันอ่อนจากมันเคือมันเมื่อเสือหัวใหญ่มันตีนไก่ตีนนกมันหัวงวงกงับง้างมันตีนจ้างมีมาคลุ้งลายตั้งมันลายมันไข่แม่คุดใดนำมา ตั้งภาลาดูกไม่แม่หาได้ตั้งวันคือหมากตันมากกอกมากแหนหมอกนมหัวตั้งฟักบัวม่วงไข่ขนุนใหญ่และสิทธิ์ที่สอมากสร้างดอกม่วงขี้ยาแม่ใส่สาดนำมาบางวันนันดาแม่ก็หาหน่อไผ่ตั้งหน่อไร่บงสร้างตั้งหมากผางและแต่งเต่าตั้งหมากเมานมควาย หมากแฟนหลายลูกใหญ่จุ่มปูใจสามานรถล้มวานลายหลากเป้านกหากินมันย้ำตาวันตกตำแม่จริงได้ย้ำศาลาเอากันมาแวดล้อมสามสี่พ่อเพียงกันเอากันฉันดุกไม่บ่หอนได้จักกินเบื่อยำมันและปูเอ้ แม่มัดที่เมื่อก่อนผิวเนื้ออ่อนโซฟาแม่เต่าสะแหวงหาซอไส้ยังลูกไม่หัวมันในดงตันเทียนทองเปลวแดดตองลมตีผิวแม่มัดที่เป็นเจ้าดูมนเศร้าสีมองดังดอกบัวต้องอันอ่อนต้องแดดร้อนเสียพันธุ ซ้ำบ่อหันตัวขาอันผากนกาไก่กาอกแม่ผ้าหานัท้ายเตียงเอาไหมท้ทานัดใจยอยู่ดองภัยลำบากเลี้ยงชีวิตยากนะักหนาแม่ผ้าหยาเมื่อก่อนกันกี้ยเกษ์เาย่อนลองมามีเกศยาวถึงหน่องปลายงอกรองขึ้นดีลีบัดนี้แม่มัดที่กำพ่าอยู่กลางป่าแดนดง <c oughs> แม่ลัดปงป่าเซานำจองเก้าแม่เสียสีสัตดงรีตัวไร่เตียวต่องภายนั้นเฮืองคือเสือเหลืองพกอยู่แรดจ้างมูมามีราจีเสือคงร้องเสีย ง, งทรงเตี้วกายแม่ดาตายลายเตือคขาไฟเอือปิญญายังมันดาเป็นเจ้าตุกคำเจ้าขึ้นวันและปู่เฮ้อ แม่มาทีนาทไหมวดเก้าไว้เป็นจาดาจราเดินหาลุกไม้เหือไข่ไขกะญญาหนุ่งหนังเสื้อนาหลายที่ใบไม้กี่รองนอนย้อเมื่อวอนใส่เก้าทุกคำเจ้าปู่เจ้าไฟยินตุกใจนักแก่กับด้วยแม่มาทีและปู่เฮ้ เอวังจาลีกุมมารเจ้าจาีสิญวราชกันโอกาสทุนสารไขอาการเก่าแก่ยังตกแห่งแม่ใยใจเจ้าจะไขเก่าลองใจปูผาญาว่ายังรักสองบุตตาลูกเตา อันอยู่ป่าเศร้าดงไัยหรือบอ่ออะไรเสียแล้าาวเจ้าหนอกแก้วจริงเก่ากัสท้า ว, าาวตตาพุทธปิญามนุษย์สานังดังนี้เป็นเก้าวาาแด่ผู้เจ้าพญา อันว่าพุทธาที่ดาหนอเนื้อย่อมเป็นตีเอือปิญญาแห่งมนุษสาสโลกใต้ดังคาคิดไขวขอนิ่งดูตนบุญจูปู่เจ้าบ่อฮักส่องลูกเต้าสองขาอันอยู่ดงนาป่าไม้ปู่บ่อคิดไขวอะไรและนา เมื่อนั่นเต่าปรมาสนใจผู้เทา่าใดฟังเจ้าจารีไขวตีจงโจดจักแกโตดในตนยามเมื่อคนสนสอบอดได้คึดน่อพิจรารณาเป็นตวสวาแต่ตนจักคือปอนเสียตนจรไขอนุสนเก่าถอยเป็นบาดซอยกทาวาตุกะตันจหิโนโปตะดดังนี้เป็นเก่า ว่าดุราจาีิลานรักปู่อันว่าปูน่นี่นะแก่เทาอายุเข้าปัดชิมมาไวบอ่อพิจจารณาในกึดขวาดเข้าอำนาจโตสะโมหาบอ่อพิจจารณาแจ้งโสดถือรูโตดและกุลเรือ่องบุญหรือบาปโตสขาขณาพึกขานได้ครับพ่อแม่สองลานแก่นไทยผู้หาโตดบอ่อใดเฮือนี เหตุเจ้าสี่ปีมาสอว่าป่อเจ้าจักลมหล่อเสียเมืองปู่นินเคืองแต่เราครับป่อเจ้านีตั้งคืนแลนาอันว่าการบ่ได้บำบัดยศสักโจกลาป่อเจ้าปู่ผู้เทาก่อกระํำแต่ดีลีเน่ยกรมบ่ดีถอยไรเหตุบ่ตันใดพิจารณา ดูราชาลีลานรักปู่ข้าของเรามีอยู่ถมทองคือเงินทองของใจเลือกตั้งเขาเปลือกข้าสานจ้างเจียงค้านมิงมาตั้งหมู่ขานิงใจตั้งวัวควายน้อยใหญ่มีบ่อไร่ถมนาในรัฐาคงเขตแดนพระเตศรีปีของอันมีมความไขวตั้งเมืองใหญ่หอจันปู่จักเกณฑ์ปันป่อเจ้า เป็นเจ้าเล่าสองตีข้อสายผู้รีน้อยนอไปราธนาป่อบุญเรื่องมาสเสวยเมืองดังเกนน่าสอนขนนุ่มเท่าสองหนแดเตอันว่าเจ้าจะลีนุ่มเนากันปู่เจ้าสีสนใจไข่กัมใหญ่จีนจ้อยสุดบาทถอยกัมจ่าเจ้าปิจจารณาไขยแล้วว่าตอนนอแก้วบกวนไป จิงจะไขต้านต่อเป็นบาดคอก็ท่าว่านาเตว่าไม่หังว่าจะนาดังนี้เป็นเก้าวาคาแดเจ้าไอยะกากคำปูจาปงขาดลานบ่อาตามกคำผูได้จำลานน้อยไปเก่าวถอยกำเมืองเยี่ยวบ่เปืองบ่ถูกเหตุใจลูกไปราตนาบ่แม่นธรรมดาอันชอบเป็นคำตำยออเบาบาง พ่อเป็นปังนักใหญ่หลวกเต้าไทยไปจะคืนมาดังลางดังลานปิจาราณานี้เรล่าปู่เป็นเจ้ากวนไปรา ธ, ธานาใส่ใจดูกแก้วอาพิเศกแล้วลวดนำกลับมาดังกวนจ๊ะและนาะ เมื่อนั้นพญาสีสันใจผู้เท่าตนเป็นเก่าสีปีฟังเจ้าจาลีไข่ข่าวลานเต้าเก่ากำกว้จริงฮือเสนาตั้งมวลสีหมู่มาพร้อมอยู่เร็วไว้แลยนะ <c oughs> ตรามาทังประกาศเซนโตศรัทธาอศาราัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาถทยบัลลีบทหลังมีไปแจงพระจริงแสงเตสนา ว่าตาโตเสนาปติ่งราจาดังนี้เป็นต้นเพคเวดุราเพคคู่รงตนทารงุงสินใสสะอาส่วนว่าเต้าที่ราสนใจฟังเจ้าจาลีไข่กาจีเตา้ากึท่ทีหันควรจะคือเสนาตั้งมวนสี่มูมาพร้อมอยู่เดี๋วไว้เจ้าหอใจผู้เท่าจริงแจงเหล่าองค์การ <c oughs> เป็นราชสานสิทธิว า, วาดว่าดูราอามาตังลายอันผากฏยศใหญ่แต่จ่าจุงจากช้รจะสานไปยานานจู่แห่งเอรืบแต่งตรี e ปนมาเกือเสนาหมูจ้างอันอาจมั่งสัตถั่วเสนามาดูไ ว, ว้ว่าเสนารถอาจเร็วไว้เสนาไปตีนเป่าหอกดาบเล่าเตี้มตนมาจู่คนย่าอยือเบาเวน้นผู้คนใด กูจากไปเมืองขอกจุงรีบออกเตียวมาตั้งพรำมานาจบเป็ดหมอต้อยเหตุหมอยาตั้งโยธาหกหมื่นนาจ้อยจืนชมงามเกิดรวมมันทันย้ำลูกเต่าคือเต้าเจ้าเวสันตราชจุงดิบมายาชาไตเตากว่าจอมกูเดเต โยธาหานล่างพ่องหื้อใสเครื่องยองผืนดำเป็นตีจำเมียตมันเป็นลืบจันดูคานโยธาหานล่างพ่องหื้อใสเครื่องยองผืนเหลืองดูงามเรื่องลำหมอกเป็นดังดอกกันนิกาสวนโยธาล่างผ่องหื้อใสเครื่องยองผืนแดงดูดังแสงตาวัน อ, อ่นพงปนหม่นพุทมา สวนโยธาลัางผ่องหื้อเข้าเื่องยองพื้นขาวดูดังดาวยังฟ้าหือมาก่อนนาเหลวปันหิ ม, มวันป่ากวางมีนำข้างหมอกมือลงเป็นที่ทารงยัองอยู่แห่งยักษ์หมู่กันทับมาไม่นานาะสองหมู่ตั้งตนอยู่